สหธรรมิกาวัค 11. ทัพพระสิขาบทว่าด้วยการถวายจีวรแก่พระทัพพระมลบุตรเรื่องพระทัพพระมลบุตร 484. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระทัพพระมรบุตรจัดแจงเสนาสนะและแจกพระทหารแก่สงท่านมีจีวรเก่าคราวนั้น จีวรผืนหนึ่งได้เกิดขึ้นแก่สงครั้นแล้วสงได้ถวายจีว น, นั้นแก่ท่านพระทัพภาคมาลบุตรพวกภิกษุชาวพคีพากันตำหนิประนามพนทนาว่าพวกภิกษุน้อมลาบสงไปตามความคุ้นเคยกันบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามพนทนาว่าฉะนั้นพวกภิกษุชาวพคีร่วมกับสงผู้พร้อมเพียงกันให้จีวันไปแล้วกลับตำหนิในภายหลังเล่า